ศรัทธาที่พาไปถึงมรรคผลต้องมีปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิเป็นฐานไม่มีศรัทธาไม่มีทางถึงฌานไม่มีทางได้มรรคผลแต่เมื่อพูดถึงศรัทธายุคเรามักนึกถึงความหลงยึดหลงเชื่ออะไรง่ายๆความจริงเมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติศรัทธาคืออาการน้อมใจรับ หรือที่เรียกว่าเปิดใจรู้กล่าวคือคิดโดยแยบคายจนก้าวล่วงความคิดแนวไปในอาการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเช่นที่คนยุคพุทธกาลเห็นพระโฉมพระลักษณะและพระสมณาสารูปอันประกอบด้วยสติบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความน้อมใจพร้อมฟังธรรมเลิกคิดนั่นคิดนี้พระองค์ตรัสถึงใจ ก็รู้สึกถึงใจตนเองได้พระองค์ตรัสถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็รู้สึกถึงความไม่มีตัวในตนได้นั่นแหละหลายคนจึงมีวาสนาจิตรวมเป็นฌานในแบบรู้อนัตตาบรรลุธรรมต่อเบื้องพระพักกันได้ศรัทธาในบุคคลอาศัยรูปโฉมกระแสสัมผัสหรือประสบการณ์ที่ใกล้ชิดเป็นตัวตั้ง แต่สัทธาที่พาไปถึงฌานต้องมีสติแบบเพียรรู้เป็นฐานคือมีความมุ่งมั่นที่จุมชื่นเอาจริงต่อเนื่องศรัทธาที่พาไปถึงมรรคผลต้องมีปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิเป็นฐานคือมีความน้อมใจรับว่าการเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะกายใจไปเรื่อยๆพาให้หลุดจากอุปาทานที่รับปลอกที่แลระลอกเมื่อไม่หยุด ก็ไปถึงฟังชนได้ขอให้เข้าใจใหม่ว่าศรัทธาไม่ได้มีแต่สักว่าเชื่อศรัทธาแบบพุทธที่ประกอบกันได้ส่วนกับปัญญาเท่านั้นที่จะพาไปถึงความสำเร็จทำได้